169สุขเทศสุ ข, ขนลิกะแต่ทุกจริงทุกขอริยสัต์นั้นฉนายสังคมหรือโลกปุทุชนคือโลกียนั้นเป็นโลกสามันที่คนปุทุชนในโลกเป็นอยู่การมีเหตุนิทานนิยายสมุทยปัจใจต่างเป็นสุขเป็นทุกข ไม่สุขไม่ทุกข์หมุนวนเวียนอยู่อย่างนั้นจะมากจะน้อยทุกข์มากสุขน้อยหรือทุกข์น้อยสุขมากก็แล้วแต่ใครซึ่งสุขนั้นก็สุขเท็ศสุขคนิกะเพราะเป็นสุขในโลกฝันแต่หลงเชื่อและติดยึดกันว่าเป็นความจริงความหลงเชื่อที่ติดยึดว่าเป็นความจริงนี้ จึงฝังอยู่ในอนุัยของผู้หลงติดยึดนั้นอยู่ความติดยึดว่าเป็นความจริงจึงจริงอยู่ในจิตอนุัยลึกสุดยิ่งกว่าฝันคือสุขที่เกิดแล้วก็ดับดับๆสุขมี่เกิดแว บ, บหนึ่งแล้วก็หมดอาการนั้นไปแต่คนก็อวิชางูซ้ำจํ า, าจอาการที่ว่าสุขนั้นใส่ใจไว้อีก ก็เลยกลายเป็นเหตุร้ายสมูทไทยที่ฝังไว้ในอนุสัยแล้วมั น, มนก็จะเกิดมาอยากได้เสพอารมณ์สุขที่จำไว้นั้นใหม่เจ้าตัวก็ต้องแสวงหาไอ้ที่จำไว้ว่าได้สัมผัสเสียดสยีหรือบริโภคอย่างที่เคยสุขนั้นแหละมาให้มันเสพสัมผัสใหม่อีก ให้สมใจอยากก็จะเกิดสุขขึ้นมาอีกใหม่แล้วก็ดับไปอีกก็จะวนอยู่กับสุกเกิดดับเกิดดับแต่ทุกเพราะอยากได้อย่างนั้นกลับเป็นอนุสัยยั่งยืนอยู่ในก้นเบื้องของจิตใจดังนั้นทุกนี้แหละผู้เป็นอริยะซึ่งมีความรู้ยิ่งฉลาดจริงเพราะมีความรู้ด้วย ชลายตนะอายตนะหกจึงจะสามารถรู้แจ้งรู้จริงได้ว่าทุกที่นับว่าจริงทุกขะอริยศัสนั้นเพราะมันจะจำอาการสุขใส่ลงไปใน่าตจิตของคนตราบที่ยังอวิชาว่ามันเป็นสิ่งน่าได้น่ามีน่าเป็นสุภะก็เป็นความจำติดไปกับอนุสัย มันจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในคนในจิตใจคนในอนุสัยนั่นเองทุกจึงฝังผนึกอยู่ในจิตจึงชื่อว่าความจริงไม่เหมือนสุขเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ผ่านไปหายจากอาการนั้นไปมีเหตุปัจจัยสัมผัสกันปรุงแต่งกันขึ้นทีหนึ่งจึงเกิดสุขทีหนึ่ง แต่แล้วก็หลงเก็บไปใส่ความจำให้เป็นอนุสัยด้วยอวิชชาเข้าไปอีกสุขจึงเป็นอาการในปัจจุบันเท่านั้นส่วนทุกข์สีมันเป็นอุปาทานที่เป็นภาวะที่ฝังอยู่ในความจำอย่างยืนยาวตราบที่ยังไม่พ้นอวิชชาสวะ มันก็จะยังอยู่กับอัตราของผู้นั้นไปอีกนานเท่านานซึ่งก็เป็นโลกฝันไม่ใช่โลกแห่งความจริงเลย